ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมมรังสีครรมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโ ร, รวัดอโศกา ร, รามาตุลาคม2503 ศสนาคิด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 ประกอบองค์ฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจารณ์พิจารณาอารมณ์นั้นนตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคกะทั่มไตร่ตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทํารู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทําได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้น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 คือมือนเมาลุ่มหลงอยู่ในไวยเรียกว่านางไวยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่สามคนคือความเมาอยู่ในไวยทั้งสามบุตรคนที่หนึ่งคือปฐมไวยเมื่อเป็นเด็กยังเดากก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่สองคือมัติมะไวย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 ลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นแลลเห็นปมด้อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีต ท, ที่เรียกว่าปุกบันเตีอนยานังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตียอนยานังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่ามัตเถอนยานังลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชชาหัตถีรัตานัง